บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการศึกษาดูจิตเมื่อถูกกิเลสข้อใดข้อหนึ่งครอบงำนั้นได้ทรงแสดงไว้เป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆคือหนึ่งให้รู้ถึงการเกิดขึ้นของกิเลสข้อนั้นๆ ้อให้รู้ถึงวิธีที่กิเลสขอ้อ น, นั้นที่เกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถละได้โดยวิธีใดก็ให้ศึกษาถึงวิธีนั้นข้อที่สาเมื่อละไปแล้วทำายังไงกิเลสเหล่านั้นจะไม่เกิดกาเริบขึ้นได้อีกภายในใจก็ให้ศึกษาถึงวิธีนั้นการเกิดของกิเลส จะเรียกชื่อยังไงที่จริงไม่สําคัญประการเรียกชื่อเป็นการแสดงอาการของกิเลสที่ปรากฏภายในจิตเท่านั้นแต่การเกิดเองก็ไม่ได้กําหนดว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังหรือเกิดมากเกิดน้อยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของคนแต่ละคนคนนี้ถ้าเราดูถึงส่วนของร่างกายค่อนข้างจะเห็นได้ชัด เป็นร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีภูมิต้านทา น, ทานโรคต่ำในจุดนั้นร่างกายก็จะไวต่อโรคเหล่านั้นจะอา จ, จะเป็นหวัดอยู่บ่อยๆอาจจะปวดหัวปวดท้องอยู่บ่อยๆแสดงว่าในจุดนั้นมีปัญหากระทบอะไรจากข้างนอกหน่อยเดียวก็เกิดปัญหาแล้วเพราะจริงปัญหามันพร้อมที่จะเกิดอยู่แล้วจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน การที่บุคคลไปกำหนดไปให้ความสนใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นต้นนั้นไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเกิดกิเลส ข, ข้อใดข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดกิเลสได้ทุกอย่างอาจจะเกิดเวทนาได้ทุกอย่างอาจจะออกมาทั้งเป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุข ท่นี้ขึ้นอยู่กับใจกำหนดอารมณ์ในแต่ละขณะเพร า, านี้เราสังเกตได้ว่าเช่นบุคคลคนหนึ่งบางวันจิตใจเราสบายสบายอาจจะมองด้วยความชื่นชมยินดีก็ได้เมื่อพบ ก, กับเขาบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเฉยๆก็ได้บางครั้งอาจจะรู้สึกไม่พอใจก็ได้หรือพอใจก็ได้ ทั้งที่คนคนนั้นก็คือคนคนนั้นนั่นเองแต่ว่าอารมณ์ภายในเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปการเกิดความรู้สึกต่อบุคคล น, นั้นจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ในกรณีที่เราชื่นชมยินดีก็เกิดเป็นสุขเวทนาในกรณีที่ไม่ชื่นชมยินดีก็เกิดเป็นทุกข์ ในกรณีที่เราเฉยๆมันก็เกิดเป็นทุกข์กรมสุขเวทนามั่นตัวการใหญ่ที่จะให้เกิดกิเลสประเภทอะไรมากจึงอยู่ที่การกำหนดของเราในแต่ละขณะซึ่งข้อนนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าบางครั้งจะรับสั่งในลักษณะให้ตัดกระแสเสียเลยไม่ต้องศึกษาในรายละเอียดโลกอื่น หมายความว่าเมื่อปัญหาไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ต้องแก้ปัญหากันเป็นการป้องกันปัญหาไว้ตั้งแต่ต้นการสอนแนวนี้จึงเป็นการสอนระดับเดียวหมายความว่าปัญหาที่ยังไม่เกิดถูกป้องกันไว้โดยการพยายามใช้สติสัมปชัญญะ ค, ความเพียรอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแน่นอนเราต้องประสบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แตวาทำยังไงอย่าให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นที่เราได้เห็นได้ยินเป็นต้นในลักษณะที่จะเพิ่มกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะที่ก่อให้เกิดการควยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งหาจบๆไม่ได้เพราะการสนองตอบความต้องการของกิเลสประเภทนี้จะเหมือนกับเอาเชื้อให้ไฟ ไฟก็จะลุกไหม้ได้เรื่อยๆตามเท่าที่ยังมีเชื้ออยู่เพราะนั้นมีทีการที่จะดับไฟนอกจากดับด้วยวิธีการดับทั่วไปแล้วจะต้องตัดเชื้อใช่ไหมการตัดเชื้อเป็นการดับที่ถาวรตัวการดับด้วยน้ําดับอย่างอื่นมันก็ดับไปมันก็ลุกไหม้ได้เรื่อยๆถ้าหากว่ามีเชื้อแต่ตัดเชื้อออกไปมันก็เป็นการดับจริง อย่าไปกำหนดด้วยความขัดเคืองซึ่งจะเป็นเหตุได้เกิดกิเลสสายโทสะอย่า ก, กำหนดด้วยความลุ่หลงซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสสายโมหะอย่ามองด้วยความประมาทขาดสติเพราะจะทให้เกิดความประมาท พอถึงความประมาทแล้วก็จบสิ้นกันเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคำสอนบางเรื่องจึงส่งไปเน้นที่ความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นทางไม่ตายการกำหนดอารมณ์เป็นเหตุให้เพิ่มกิเลสจึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการควบคุมใจถ้าปิดกระแสตรงนี้ได้ก็เรียบร้อย แต่ตามปกติแล้วทมยากเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจเรานั้นมีเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสอยู่มากมีเป็นอันมากที่ไม่มีอารมณ์อะไรมาจากข้างนอกแต่เราก็เก็บเรื่องเก่าๆมาคิดมาปรุงที่ทัณฑใช้คํามาปรุงคิดคิดปรุงปรุงกันจนวิจิตพิสดารสวยงามรูราต่างๆ ท, ที่ทั้งหมดเราปรุงมาเอง ก่เกิดความกำหนัดเพลิเพลินข่อยวาพราถนาทั้งหมดเป็นเรื่องทํานองคล้ายๆกับวัวเคี้ยวเอื้องควายเคี้ยวเอื้องอเคี้ยวไปได้เลยที่จริงเป็นอาหารเก่าไม่ใช่ของใหม่อะไรแต่ก็นํามาเคี้ยวกินอารมณ์ดอนนั้นก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ บางครั้งนั่งยิ้มคนเดียวบางครั้งแสดงอาการปริวิตกทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวตอนนี้จะเห็นได้ว่าอยู่ที่การปรุงคิดคิดปรุงเอายิ่งในชีวิตปกติสามัญมีการกระตุ้นเร่งร้าวจากอารมณ์ข้างนอกดยแล้วการทำใจจึงค่อนข้างยากแต่เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามประพฤติกระธรรม แต่ที่นี้ในขั้นตอนที่ส่งแสดงในแนวของมาสติปัฏฐานเอาไว้ซึ่งจะเห็นว่าจะส่งแสดงอย่างนี้เหมือนกันหมดเวลาพูดถึงนิวรณ์ซึ่งก็เป็นกิเลสมือนกันท่งสอนให้ดูนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้สืบสาไปถึงเหตุให้เกิดนิวรณ์ข้อ น, นั้นๆ ให้ศึกษาถึงวิธีที่จะดับแล้วเมื่อดับไปแล้วทำยังไงจะไม่เกิดได้อีกก็เป็นการสอนใละศึกษาในแนวเดียวกันสังโยชน์ที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นที่จริงเป็นตัวแทนของกิเลสทั้งหลายตึงต่อไปจะเรียกชื่ อ, อย่างอื่นก็ได้มันไม่แปลกันไหนเพราะเรียกตามอาการนังกล่าวแล้ว เรียกว่านิวรในกรณีที่เขาเกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจเรียกว่าสังโยชน์ในกรณีที่ผูกมัดใจิตใจคนเอาไว้เรียกว่าอนุสใยเพราะมันสงบอยู่ภายในท่านยามปกติคือกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจิตใจเราตลอดยีบสี่ชั่วโมง มันเกิดขึ้นในบางโอกาสบางขณะเมื่อมีอารมณ์มากระแทกจากข้างนอกหรือใจไปเดียวนึกถึกนึกเขาตำนองคล้ายน้ำในภาชนะในในตุ่มในอะไรมันจะขุนขึ้นได้ก็โดยสองเหตุเหตุสองประการประการหนึ่งคือใครเอาไม้ไปกวนประการที่สองคือใครเอามือไปพลัก ต, ตุกตะกอนมันก็ขึ้นมา เอาไม้ไปกวนก็เหมือนกับใจเราเป็นเหนียวนึกนึกนึกขึ้นมาเองต่กอนมันอยู่ข้างมันเราไปกวนมันขุดขึ้นมาเองเอาไม้ไปพลักเอามือไปผักมันก็เหมือนกับอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอกแตะกอนมันก็อยู่เฉยๆเหมือนกันแต่เมื่อไปพลักข้าวก็มีการไหวข้างในแต่กอนเหล่า น, นั้นก็ขึ้นมา มารับอารมณ์ซึ่งกระบวนการทางจิตเวลาศึกษาพิสดานนั้นเป็นเรื่องพิสดารมากแต่ทรงสอนในที่นี้ไม่เอาพิสดารเอาแต่ว่าให้ดูเห็นกิเลสข้อใดข้อหนึ่งก็าตามที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นส่วนกิเลสข้อใดจะเกิดแก่ใครมากใครน้อยนั้นก็อยู่ที่พื้นฐานทางใจทางกล่าวบางคนมองอะไรสวยงามไปหมด ได้แก่คนประเภทที่เราเรียก ร, ราคะาริตอยากสวยอยากงามอยากฟังดูรูปสวยๆฟังเสียงไปเราะดมกลิ่นหอมหอมกลิมรสที่อร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องพวกนี้ก็คว้าไปเรื่อยๆอะไรก็คิดปรุงไปในแนวนั้นเรื่อยๆกิเลสประเภทโลภะราคามันก็ฟูขึ้นไปในใจบางคนเป็นโทสะจริตเป็นคนที่หงุดหงิดโกรธง่าย เหมือนกับร่างกายที่มีแผลกระทบลมก็ปวดกระทบฝุ่นก็ปวดไปกระแทกอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปวดถูกเสื้อผ้าตัวเองก็ปวดก็จะมีปัญหาในด้านอารมณ์คืองดหงิดอยู่เรื่อยรำคาญอยู่เรื่อยจ็ปวดอยู่เรื่อยปัญหาสำคัญว่าเวลาจะปวดนั้นไม่ได้มองไปที่ปัญหาซึ่งอยู่ในตัวเราเองแต่จะไปมองที่ข้างนอก แล้วในที่สุดจะเป็นการหาเรื่องก่อการทะเลาะวิวาทกันพระเจ้าทรงชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขขี้เรื้อนแกวิ่งแกเป็นนอนในที่ใดแล้วแกลุกขึ้นแกเกาเแล้วแกวิ่งวิ่งหาที่นอนทีได้ยวเราสั่งให้ภิกษุทั้งหลายดูเพราะสุนัขตัวนี้เธอเข้าใจว่าสถานที่ที่เธอนอนนั้นมีปัญหา นอนแล้วเธอปวดเธอคันเธอเจ็บเธอก็วิ่งหาที่นอนของเธอด้วยัางทีจริงๆแล้วมันเพราะแผลที่ตัวของเธอเองเพราะโรคเรือนที่ตัวที่เรือน ท, ที่ที่ตัวของเธอเองจิตใจของปูนบุคบบคลเราที่มีโทสะจริตมันก็เป็นเช่นนั้นคือไปมองปัญหาข้างนอก รำคาญเสียงรถที่ดังรำคาญเสียงคนที่พูดรำคาญเสียงสุนัขที่เห่าขอนรำคาญลมที่มันพัดรำคาญฝนที่มันตกไปโกรธได้แม้กันลมกับฝนตอนที้งทลงฝนนั่นเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่มีจิตปัญญาอะไรแต่พระใจก็มีโทสะจริตทำให้โมขะคือความหลงความไร้เหตุผล มีกำลังมากตามไปด้วยคนประเภทนี้จึงมักร้ายเหตุผลคนที่กินเป็นโมหะจริตซึมซึมเรื่อยเฉยเอยขาดความกระปรี้กระปร่๊ขาดความกระจับกระเฉงในการทำงานซึมซึมมือลอยไปด้วยประการต่าง อารมณ์ที่มากระทบนั้นไม่กระแทกกระทันนแรงเพราะว่าข้างในมันแรงอยู่แล้วคล้ๆกระสีดําแคลวสีดําไปเติมข้าว ม, มันก็ไม่ได้ดําอะไรขึ้นมาเพราะมันดําเต็มที่อยู่แล้วแคลวสีขาวไปหยดลงถ้าจานวนมันมากพอก็สลายอะไรไม่ได้เผลจิตใจก็จะโนม้มเอยียงไปอีแนวหนึ่งกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจคน มันก็จะแตกต่างกันอย่างคนประเภทโมหะพวกความถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาความเครือบแกรง่งสงสัยความไม่แน่ใจการตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไปจับอะไรก็ไปยึดไปถืออย่างนั้น ไปถือบั่นโดยศีล้วยวัดโดยข้อปฏิบัติทั้งหลายที่งมงายไร้เหตุผลก็มีที่ไม่งมงายไม่ไร้เหตุผลก็มีแต่นอแต่เนื่องจากแกขาดความอุตสาหะขาดความกตือรุอรนเพราะก็เหมือนกับ เ, เรานั่งเรานั่งรอนอนดูนานๆแล้วร่างกายมันไม่พร้อมลุกขึ้นเดินนิดหน่อยนั่งต่อแต่ความสดชื่น ความจำใส่ที่กายที่ใจมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะยังติดอาการซึมซึมอาการอืดอืดอาการเฉื่อยเฉื่อยอยู่มากกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทโมหะใจเขาก็มีโมหะมากอยู่แล้วพอ ร, รับเชื่อพวกนี้ก็ไปกันใหญ่ปัญหาต่อไปว่าเมื่อพวกนี้เขาเกิดขึ้นเนี่ย ทรงสอนให้มองดูว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระอย่างที่บอกแล้วไม่ได้เกิดขึ้น24ชั่วโมงแต่มันเกิดขึ้นตามกานไขปัจจัยต่างๆกิเลสประเภทโมหะนั้นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นฐานใหญ่มันก็มาจากอาวิชชาซึ่งเป็นฐานของจิตคนเป็นฐานเป็นที่ตั้งที่เกิดที่จเจริญเติบโตของกิเลสทั้งหลายก็เกิดวิชาความไม่รู้ ตีประการหนึ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากอโยนิโสมนัิการคือการไม่ได้ใช้เหตุผลในการพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบหรือการเหนียวนึกเอาด้วยวยด้วยใจตนเองอโยนิโสมนัิการมันก็มีลักษณะของการขาดปัญญาที่เหมาะสมที่มีกําลังมากพอในการวินิจฉัย ท่านทั้งหลายจะพบว่าพระเจ้าทรงอุ ป, ปมาปัญญาว่าเป็นแสงสว่างอะไรก็ตามที่มันอยู่ในที่มืดและเราจุดไฟส่องไปดูแต่ไฟนั้นสว่างไม่พอเรารู้สิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนแต่ถ้าที่แสงสว่างอย่างขนาดนั้นมันก็ดูอะไรยังไม่ชัดไม่ใช่ถึงกับไม่มีแสงสว่าง เพียงแต่ว่าแสงสว่างมันน้อยไปนั้นการแก้ไขในชีวิตประจำวันก็คือเรื่องการเพิ่มโยนในโสมนัสิการขึ้นหมายความมาแต่ละเรื่องเช่นความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็เอามาคิดดู ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราจริงๆหรอเช่นสมมติว่าร่างกายเป็นของเราเราคิดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราถ้าลองศึกษาดูเรานับเราในตรงไหนก็ตอบได้ว่านับเราตั้งแต่ปฐนปฐมวมจิตปฐมปิญญาณคือถือปฏิสนธิมามันก็เริ่มนับแล้วนับความเป็นชีวิตเป็นคนแล้ว ถ้าถามร่างกายเป็นของเราแล้วที่มันเพิ่มขึ้นมันมาจากไหนเพระาะเมื่อก่อนมันก็เล็กนิดเดียวถ้าถามม่าเป็นเราจริงๆหรือเปล่ามันก็เปล่าคือเราควบคุมอะไรบงังคับพัญชาไม่ได้ถ้าเป็นเราจริงๆเป็นตัวตนของเราจริงๆมันก็เป็นของเราเราจะบิดจะเบี้ยวจะทุบจะทำลายอะไรแต่อะไรก็ได้คือทำอะไรตามที่เราต้องการได้ แต่ปรากฏว่าร่างกายเรานั้นพูดเกินไม่เคยรู้เรื่องเลยตั้งแต่เกิดมามาให้ปวดมันก็ปวดมาให้เจ็บมันก็เจ็บมาให้เกิดทุกข์ทรมานต่างๆมันก็เกิดทุกข์ทรมานเราแก้ปัญหาก็เข้ามาตลอดชีวิตปัญหาในชีวิตของเรานันก็แก้ปัญหาให้กายที่มากที่สุดจนกายไปเรียกว่ารรมาให้กิน เราอยู่เพื่อทํามาหากินก็ทั้งหมดนั้นก็เพื่อปลนปลือกกายแล้วก็จริงแล้วกายก็ไม่เอากระเราอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าคนทั้งหลายที่บนเพอิกันพยาติของเราพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราทรัพย์สินของเราเรื่องสวนไรนาของเราอะไรก็ของเราของเรา เอาก็จริงแล้วแม้แต่ตัวของเรามันยังไม่เป็นของเราเพราะอะไรเราไม่เคยห้ามปรามอะไรแกได้ไม่เคยขอร้องแกได้ไม่เคยอ้อนวอนแกนได้ไม่เคยสั่งแกได้เขาไม่เคยอยู่ในอำนาจบังคับบัญจาได้ที่ว่าเป็นของเรามันก็หายไปเป็นอนันากเป็นของคนอื่นพอเป็นของคนอื่นมันก็กลายเป็นของคนอื่นคนอื่นด้วยไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆสักคนและที่สุดเราก็ทิ้งทิ้งสริระซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นเราเป็นของเราออกไปก็นำเรื่องของนี้มาคิดบ่อยๆการคิดบ่อยๆไม่จะถึงกระดับเด็ดขาดประการจะตัดเด็ดขาดนั้นต้องตัดได้ด้วยอรียมัสเพียงแต่ว่าจะช่วยลด จะลดความรู้สึกรุนแรงด้วยความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออกไปราความคิดแนวนี้จะมีการแบ่งแยกและในที่สุดจะแยกหมู่แยกพวกเข็นฆ่ากันบางครงั้งทั้งที่พวกเดียวกันเรามองดูแม้ภายในบ้านบางทีมีการขัดแย้งลูกทะเลาะกันพ่อแม่ก็เกิดไปอยู่คนเราฝ่าย และความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นความโกรธความเครียดกราดแทนที่จะอยู่เฉพาะพี่น้องมันก็ไปถึงพ่อแม่หรือบางทีพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันลูกก็ไปอยู่คนเรฝ่ายคนหนึ่งถือว่าพ่อถูกคนหนึ่งถือว่าแม่ถูกเข ก, ก็ยุ่งกันใหญนั่นจะก่อให้เกิดความเป็นพวกเราพวกเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ได้แง่ของสมมติแล้วก็คือพวกเดียวกันเป็นพ่อแม่ลูกเดียกัน พอความไม่เราเป็นเขามันก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปดีเดีจนบางครั้งก็เกิดเป็นสภาพของบ้านแตกบางครั้งก็แรงกว่านั้นจนมีการเข่งฆ่าทำลายกันแม้ภายในครอบครัวเดียวกันเพราะในชั้นนี้ทรงสอนเพียงระดับที่คงเป็นเราเป็นเขาแต่ยอมรับนับถือสถานะทั้งของเราและของเขา ที่ท่านใช้คำว่าตนก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราหมายความมาติดสมมติอยู่แต่ไม่เต็มที่จนถึงก็งม ง, งายมันก่อให้เกิดการยอมรับสิทธิของกันและกันยอมรับหน้าที่ของกันและกันไม่ร่วงเกิดกันก็คงเป็นเราเป็นเขานี่หน้าที่เขานี่หน้าที่เรานี่เป็นสิทธิของเขานี้เป็นสิทธิของเรา นี่เป็นทรัพย์สินของเขานี่เป็นทรัพย์สินของเรานี่เป็นคู่ครองของเขานี่เป็นคู่ครองของเรามันมีความเป็นเราเป็นเขาแต่อยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่มีการล่วงละเมิดกันกลับมาตรงนี้เราจะเห็นว่าไอสักกายติทิคือความเห็นเป็นเหตุถือตูดถือตูมันลดลงไปในระดับที่ถูกคุมไว้ด้วยศีลไม่ถึงกับหมดหรอกแต่ก็ลดลงไป อย่าน้อยในระดับที่รุนแรงจนแบ่งพวกรบกันเองให้ลองสังเกตว่าเช่นสมัยกรุงแตกครั้งที่สองแยกเป็นกกหกกกเจ็ดกกคนไทยด้วยกันนะะแบ่งแยกกันเองตอนไปทํามามันก็กลายเป็นพวกเดียวกันได้ทั้งที่เริ่มจากพวกเดียวกันแล้วก็แยกพวกรบกันเสร็จแล้วก็รบกันไปพักหนึ่งก็กลายเป็นพวกเดียวกัน แลต่อมาก็มีการแบ่งแยกกันดีภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สงสอนให้มองเห็นโทษก็มาถึงอีกระดับหนึ่งคงเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเพิ่มความเป็นเรากับพวกเราขึ้นไปเป็นการมองที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นศาสนิกในศาสนาเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ก็มีเรากับพวกเรามันลดช่องว่างของความเป็นเราเป็นเขาออกไปอีกจังหวะหนึ่งคือจะมีการปฏิบัติในแนวที่เกือ้อกูลกันเพราะอะไรเพราะพวกเดียวกันอาจจะคิดว่าสายเลือดเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นคนด้วยกันก็แล้วแต่จะคิดคือเอาไปเชื่อมกันตรง น, นี้ก็ไม่ถึงกับหมดสักกายทิจิอะไร แต่ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขโดยสันติสุขเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องที่เราเรียกว่าเป็นพาราดรภาพคือมีเรากับพวกเรามีเรากับเพื่อนเราแล้วคำว่าเพื่อนเราพวกเรานั้นก็กระจายออกไปเรื่อยๆ เ, เป็นการคำนวนประโยชน์สุขให้ในชีวิตปัจจุบัน แล้นวยประโยชน์สุขให้ในโอกาสต่อไปเพื่อจะร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กันเวลาทําดีก็ชักชวนกันเวลาทําชั่วก็ตักเตือนกันซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าทําบุญร่วมกันหรือจานวนที่เราคุ้นๆที่เรียกว่าอุเพสันนิวา คือเคยอยู่ร่วมกันมาเป็นมิตรเป็นสหายกันมาเป็นเพื่อนฝูงกันมาเป็นพ่อแม่กันมาเป็นสามีภรรยากันมาก็แล้วแต่คือสรุปรวมในคําว่าบุเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแล้วก่อให้เกิดการยังเป็นวัตตะยังเป็นการหมุนบน แต่เป็นการชวนกันทำความดีเพื่อเป็นคนดีเพื่อบังเกิดดีอย่างที่ทรงแสดงตอบคำถามท่านนั ก, กุละบิดานั ก, กุลมารดานีว่าท่านทั้งสองนั้นตั้งแต่แต่งงานกันมารักใคร่กันมากไม่เคยทะเลาะวิวาดกันเลยวันนี้ก็เป็นพูดเท่าแล้วก็อยากทราบว่าท่านทั้งสองนั้นต้องการจะเกิดร่วมกันเป็นสามีพันญากันต่อไป จะเป็นไปได้หรือไม่กระรับสั่งแสดงว่าถ้าคุณรรสี่ประการเสมอกันคือศรัทธาสมามีศรัทธาเสมอกันศีล ส, สมามีศีลเสมอกันจาคคสมามีความเสียสละเสมอกันและปัญญาสมามีปัญญาสม่เสมอกันนอกจากจะกอให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขในชีวิตนี้แล้วยังเป็นปุเพกตะปุญนตา คือบุญที่กระทำไว้ในการก่อนแต่ให้บังเกิดร่วมกันเป็นสามีปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นเพื่อนฝูงกันเป็นพี่เป็นน้องกันแสดงให้เห็นว่าเป็นการลดสักกายทิจิตลงไปแต่ไม่ถึงกับหมดเพียงแต่ว่าลดความเป็นเราเป็นเขา ลดความเป็นพวกเราพวกเขามาเหลือความเป็นเรากับพวกเราความสนิทสนมความเอื้ออาทรความวงใหญ่ต่อกันก็เพิ่มขึ้นและเราจะเห็นจิตใจของคนระดับนี้ว่ามีปัญญาสูงขึ้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันมากขึ้น มีความเมตตากรุณาความเมื่อถอนความห่วงให่การสงเคราะห์นุเคราะห์ดูแลใะใสกันสูงขึ้นเราเป็นธรรมะที่ระดับที่เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขหรืออยู่ดีมีสุขเป็นการคลองเรือนครองสุขส่วนระดับของการตัดขาดนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานคือต้องถอนความยึดมั่นหรือมั่นลงไปได้ จะเรียกว่าอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราออกไปได้อย่างเด็ดขาดก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามอริมักไปยงแปประการที่เรียกว่าอย่างน้อยศีลต้องสมบูรณ์สมาธินั้นมีกำลังพอประมาณปัญญามีพอประมาณจิตใจนั้นมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าประทับประสงค์และในใจสิกขา ก็าสามารถที่จะขจัดความรู้สึกรุนแรงเหล่านั้นออกไปได้แต่ในการวิบัติจริงๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จึงมีแนวของการขัดเกลาไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มคุณภาพของจิตเพิ่มประสิทธิภาพของจิตขึ้นไปโดยลาดับความเห็นว่เราเป็นเขาลดน้อยถอยลงจนมากลายเป็นเรากับพวกเรา ช่วยเกิดการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขขยายวงกว้างออกไปได้โดยลำบากแม้เพียงระดับนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะสร้างสารรค์ในบังเกิดคิดนพ้นไปถึงการปฏิบัติจริงๆ จ, ง จ, งจึงทรงเน้นให้แต่ละคนรับผิดชอบตัวเองโอปนญิโกคือน้อมธรรมะมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเอง เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ตรวจสอบเองเป็นเอเป็นเป็นสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองเป็นปัจจตังวิิตโตปโวคือวิญญูชนจะรู้ได้โดยใจของตนเองนันการเพิ่มปริมาณของสติสมัมปชัญญะและความเพียรในการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของจิตและพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้มีความสงบมีความประณีตเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเป็นภารกิจที่ทรงสอนให้กระทำในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปที่ทรงใช้คำว่าสาตัจเกียตาคือไม่ทอดทิ้งธุระใช้ความพยายามที่สืบต่อกันไปโดยลำรับแล้วผลดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสทธต่อไป